หทุติยภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุสูตรที่สองเก้ครั้งนั้นภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทำอันเอกที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้ว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 ภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ภิกษุทั้งหลายทำอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสี่ประการบริบูรณ์ทำสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจ็ประการบริบูรณ์ทำเจประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว <toc>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 ทาอั Next, นเป็นเอกคืออนาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปัฏฐานสี่ประการบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพชชงเจ็ดประการบริบูรณ์โพชชงเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชาและวิมุตบริบูรณ์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 หรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสัน้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสัน้นสำเนียกว่าจะรู้แจ้งกองลมทั้งปวงสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกสมัยนั้น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 มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สสมัยใดยภิกษุสำเนียกว่าจะรู้แจ้งปีติจะรู้แจ้งสุขจะรู้แจ้งจิตตะสังขารสำเนียกว่าจะระงับจิตตะสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตตะสังขาร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 จะยังจิตให้บันเทิงสัมเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสัมเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสัมเนียกว่าจะเปลืองจิตหายใจเข้าสำมเนียกว่าจะเปลืองจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่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 มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สสมัยใดภิกษุสำเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงจากพิจารณาเห็นความคลายออกได้จะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้า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 สติสำโพธชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญสติสัมโพธชงสติสำโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แกภิกษุ 2. ถ้เธอมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยนั้นธรรมวิจยะสำโพธชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงธรรมวิจยะสัมโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ 3. เมื่อเธอค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุผู้ค้นควา้าพิจารณาสอดส่องทำนั้นด้วยปัญญาปรารบแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพธชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญวิริยะสัมโพธชงวิริยะสัมโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ 4. ปิติไม่มีอามิตร ย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรสมัยใดปีติไม่มีอามิตรเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรสมัยนั้นปีติสัโพธชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญปีติสัโพธชงปีติสัโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุหาแม้กายของภิกษุผู้มีใจปีติย่อมระงับ แม้จิตก็ระงับสมัยใดแม้กายของภิกษุผู้มีใจปีติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยนั้นปัสสิสัมโพชชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญปัสสิสัมโพชชงปัสสิสัมโพชชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุหกจิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่น สมัยใดจิตของภิกษุมีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสำโพธชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญสมาธิสำโพธชงสมาธิสำโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเจ็ดเธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยใด ภิกษุย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสมโพธชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสมโพธชงอุเบกขาสมโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุสสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายสา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 ภิกษุเจริญสติสัมโพชฌงสติสัมโพชฌงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเจ็ดเธอย่อมเพ่งจิตให้ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยใดภิกษุเพ่งจิตตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสำโพธชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายสติปัทานสี่ประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้โพชชงเจ็ประการบริบูรณ์โพธชงเจ็ประการที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้วิชาและวิมุตบริบูรณ์ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะ 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะ สจเจริญธรรมวิจยะสมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะ 7. เจริญอุเบกขาสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลาย โคดชงเจ็ดประการที่ภิกษุจเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์ทุติยภิกขุสูตรที่หกจบ